بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط ال14 ويحتوي على سور الشوره الزخرف الدخان الجاثيه الاحقاف محمد الفتح انحجرات وقاف แนะนำบทอัชรอบทนี้เป็นบทมักกียะมี 53 องค์การบทเริ่มด้วยการกําหนดแหล่งที่มาของวะฮีองค์การจากพระเจ้าและแหล่งที่มาของศาลอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานวะฮีให้แก่บรรดานบีและบรรดารอซูลพระองค์คือผู้ทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อทําหน้าที่เผยแพร่ศาลของพระองค์เพื่อที่จะนํามนุษยชาติออกจากความมืดมนต์แห่งการตั้งกาติ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 ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมอัยซีนกอฟกะดะลิกยูฮีอะลัยกะวะอิลัลละดีนมิน مُبَارِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ چَنَنَ لَئِے مِی 옹กาน مَ یَنگ چَاو لَ یَنگ بَنڈَا سَاسَنَا تُوت กÒRNA چَاو اَللہُ پُسُง دِچَانُپَا پُسُง پُرِچَایَان لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم سِنگ دِ یُو نَمَنڈَا چَن فََا لَ سِنگ تِ یُو نَے پَھَن دِن نَن پَین سِتھِتھِ خَو پْرُڠ لَ پْرُڠ پَین پُسُง سُง سُง پُسُง یِنگ یَای تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكه يسبحون بحمد <تصبح> ربهم <تصبح> ويستغفرون <تص لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم شنفاتนไหลแทบจะพังทลายลงมาจากเบื้องบนของพวกมัน ขณะที่มาลาอิกะฮ์ต่างก็แซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและขออภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวัลละซีนตักะดูมินดูนูฮูเอาลิยาอัลลอฮุฮะฟีดอะลัยฮิมวะมาอะตอะอะลัยฮิมบิวะกี้ لَبَنَّادَا پُتِ یُذْ تُھِ او پُکُومْ کھْرَاوْ اِئْرْ جَآ فُرُونْ نَنْ اَللّٰہ سُنگ فَاوْ دُو پُوکْ کھَاوْ یُو وَلَ جَاوْ مِئْ شَایْ پُوتْ دُو لَاوْ کھُومْ کھْرَاوْ پُوکْ کھَاوْ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ لاเช่นนั้นแหละ เราได้องค์การอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนชาวมักกะฮ์และผู้ที่อยู่รอบเมืองนั้นและเตือนถึงวันแห่งการชุมนุมซึ่งไม่มีข้อสงสัยใดๆในวันนั้นพวกหนึ่งจะอยู่ในสวนสวรรค์และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในนรก وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ อุมมะฮ์วาฮิดะฮ์วะลากีย์ดกิลุมันยะชาอูฟีเราะห์มะติฮ์วัจดอลิมูนมาละฮุมมินวะลีวะลานอศีรเลฮากวาอัลลอฮซองประสงแนนอนจะทรงทําให้พวกเขาเป็นประชาชาติเดียวกันแต่พระองค์จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ส่วนบรรดาผู้อธรรมนั้นพวกเขาจะไม่มี ผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยอามิตะคอดูมินดูนะฮูเอาลิยา فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير หรือว่าพวกเขาได้ยึดถือเอาคนอื่นจากพระองค์เป็นผู้คุ้มครองตัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองและพระองค์คือผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีก ละบรอนคีผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งวะนักตะละฟตุมฟีมินชัยอ์ฟะฮุกมุฮูอิลาลลาฮ์ซาลิคุนัลลอฮุร็อบบีอะลัยฮิตะวักกัลตุวะอิลาฮีนีบละอันไดเลาอ์ที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องนั้นๆการตัดสินชี้ขาดย่อมกลับไปหาอัลเลาะห์นั่นคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของฉัน แด่พระองค์เท่านั้นฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นฉันจะกลับไปหาแล้วที่รสมาวาตวัลอัรด جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير พระผู้ทรงสร้างบรรดาฉันฟาละพันดิน พระองค์ทําให้มีคู่ครองแก่พวกเจ้าซึ่งจากตัวของพวกเจ้าเองและจากปสุสัตว์นั้นทรงทําให้มีคู่ผัวเมียด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงแพ้พันพวกเจ้าไว้อย่างมากมายไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นละฮูมากอลีดุสสมาวาติวัลอฎียับซุฏซิกะลิมินยะชาอูวะยักดิร 인네후 비쿨리 샤이 인 알림 군장 간칸ควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มพูนปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 샤라 알ะ쿰 미น อดดีน마 와싸드히 누후วัลลซี อ우하이นา อ일라이 وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي พระองค์ได้ทรงกําหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นบีและที่เราได้องค์การแก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบรอฮีมและมูซาและอีซาว่าพวกเจ้าจงดํารงศาสนาไว้ให้มั่นคงและอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนาแต่ประเด็นใหญ่แก่พวกตั้งภาคีที่เจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้นอัลเลาะห์ทรงเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ لَسَوْفَ تُعْطَاهُ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَوَمَا تَفَضَّلُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 ແລະແທ້ຈິງບັນດາຜູ້ທີ່ຮັບມໍລະດົກຄໍາພີນີ້ຫຼັງຈາກພວກເຂົານັ້ນຢູ່ໃນການສົງໄສແຄງໃຈກ່ຽວກັບຄໍາພີນັ້ນຢູ່ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا และอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและจงกล่าวว่าฉันได้ศรัทธาในสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ตามที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาและฉันได้รับบัญชาให้ตัดสินระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมอัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าการตอบแทนการงานของฉันก็จะได้แก่ฉันและการตอบแทนการงานของพวกเจ้าก็จะได้แก่พวกเจ้า مایمی کان توแยง ใดใดระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอัลเลาะห์จะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดและอย่างพระองค์เท่านั้นคือการกลับไป ส่วนบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับศาสนาของอัลเลาะห์หลังจากศาสนานั้นได้เป็นที่ยอมรับแล้วการโต้แย้งของพวกเขาปราศจากเหตุผลในทัศนะของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาจะรับความกริ้วโกรธและพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัสอัลเลาะห์ุลลซีอันซะลัลกิตาบะบิลฮักกิวัลมีซาน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 والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد بندาผู้ที่ไม่ศรัทธาในเรื่องนี้เร่งเราให้เกิดขึ้น ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาก็มีความหวาดกลัวในเรื่องวันอาวสานและพวกเขารู้ว่ามันเป็นความจริง พึงรู้ถอดว่าแท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานนั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างไกลลิดอัลลอฮุละฏีฟุบิอิบาดิฮิยัรซุกุมัยยะชาอูวะฮุวัลกอวีลอะซีซอัลลอฮเป็นผู้ทรงเอ็นดูต่อพวงบ่าวของพระองค์ทรงประทานปัจจัยอย่างที่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แลพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพนาง كان يريد حظا اخره نزيد له في حظه ومن كان يريد حظا الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب ผู้ใดปรารถนาการตอบแทนของปรโลกเราจะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขา และผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของโลกนี้เราจะให้แก่เขาบางส่วนจากสิ่งนั้นและสําหรับเขาจะไม่ได้ส่วนใดๆอีกในปรโลกอัมละฮุมชุรคาอูชเราะอูละฮุมมินอัดดีนมาลัมยาซาบิฮิลลาวะลาอูลากะลิมะตุลฟัศลิลุกฎิยะบัยนะฮุมวะอินนัซซอลิมีนละฮุมอะซาบุนอะลีม หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กําหนดศาสนาแก่พวกเขาซึ่งอัลเลาะห์ไม่ได้ทรงอนุญาตและหากมิใช่ลิขิตแห่งการตัดสินที่ได้กําหนดไว้ก่อนแล้วก็คงได้มีการตัดสินในระหว่าง